ف َ ل َ ع َ ل ك َ ب َ ا ط ٌِ نَفسَكَ عَلَى أ َ ا ر ه ِ م lam يؤمن بهاذا الحديث أ س ف ا بسم الله الرحمن الرحيم إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا ه ا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ب ك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت ا إ, إ ل ي ك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أ ه د ك و و ع د ك مستحقته أبو أ ل ا ب ن ع م ت ك علي وابو بذنبي فغفر لي فإنه لا يغفر ذنوب إلا أنت اللهم ن ي أعوذ بك من شر ما صنعت สุลามุอะลัยกุมมะรับมาตุลลอฮิวบรา كات ุในน้องที่ร่วมนมาตซุบอีกคำหนึ่งเรียกว่าฟาเจร์มีสองคำนมาตเนี่ยเขาเรียกว่าสุลาตุลฟาจรีหรือสุลาตุซุบใหที่รักทั้งหลายอัลฮัมดุลิลละเราขอบคุณอัลลสุบฮานูวตาลาที่ อัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนนี่ไม่ใช่เดือนแห่งการนอนแต่เป็นเดือนแห่งการทํางานในสมัยท่านนบียังมีชีวิตอยู่เนี่ยนบีและบรรดาสัฮาบะของท่านนบีเนี่ยเขาใช้เดือนรอมฎอนนี่แหละ ทำสงครามปกป้องาศาสนาบรรดาสวามานาบีไม่ได้เอาเวลานอนแบบพวกเราพวกเราเนี่นเนียต้องสบายแล้วเดี๋ยวน้ำมาดเฮจบลวกจะไปนอนแลนอนให้อิ่มเลยเพราะนั้นนบีไม่จะทำอย่างนั้นนบีเอาเดือนลมดอนนี่เป็นเดือนของการทำความดี เพราะฉะนั้นเดือนอรมดอนนี้ความดีที่เราจะต้องทําก็คือเนี่ยนั่งอ่านกุรอานนี่แหละ ว, วันธรรมดาก็อ่านไปเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเขอ่านไปแล้วหนึ่งจบก็มีนะแค่ห้าหกวันเนี่ยจบไปแล้วหนึ่งจบบางคนก็เพิ่งเริ่มก็มีบางคนก็ได้ครึ่งเล่มแล้วทำตัมนี้แล้วคือหัวใจของเขานี่ผูกพันกับการอ่านอัลกุรอาน เรารามอตอนนี้เป็นเตือนถึงการทําความดีด้านอื่นๆอีกแต่ท่านเราขอบคุณเราล้อน่าที่เรามาเอาคุรานนี่มาอธิบายนะครับวันนี้เรียนไม่เยอะเลยหกอายะและเป็นซูร้อนใหม่เพราะซูร้อนเก่าเพิ่งเรียนจบไปเมื่อเมื่อเมื่อก่อนเข้ารมามออนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ไม่อยู่ เลาไปฟังนิดนึงว่าไปไหนไปรักษาโรคไปทำดีท็อกดีท็อกเขาจาเปล่ า, ปาไปเอาของเสียที่อยู่ในในลำไส้ในตับในไตไปดีท็อกเอาออกเอาเชื้อโรคเอาไขมันที่อยู่ในตับในไตเอาออกโดยการใช้ระบบดีท็อก ดิท็อกด้วยแล้วก็ทานอาหารอย่าทานอาหารหนักพยายามทานเบาๆใช้เวลาประมาณ5วันดิท็อกเอาของไม่ดีออกจากร่างกายเอาเชื้อโรคออกจากร่างกายดีไหมดีน้ำหนักของของผมเนี่ยลดไปประมาณ4กิโล ถามว่าทำดีท็อกเอาเชื้อโรคหรือไขมันเอาของไม่ดีไม่ดีเอาออกจากร่างกายเนี่ยดีไหมดีถามว่าการดีท็อกแบบนี้เนะี่ยเป็นการดีท็อกที่ดีที่สุดเลยใช่ไมไม่ใช่การดีท็อกที่ดีที่สุดก็คือการดีท็อกเอาของชั่วชั่วที่ออกจากหัวใจอันนี้เอาออกมาจากตับกับไต แต่ที่ใหญ่กว่านี้ก็คือเอาออกจากไหนนะเอาความชั่วออกจากหัวใจอันนั้นใหญ่ที่สุดเป็นการดีท็อกที่จะไปพบกับอัลลอสุบฮานาหูวาตาล้ฉะนั้นวิธีดีท็อกเอาความชั่วออกจากตัวเนี่ยทำไงูไหมต้องเตาบะตัวต่ออัลลอนี่เป็นการดีท็อกที่ดีที่สุด ฉะนั้นทําดีท็อกเอาความชั่วออกจากร่างต้องทำสามอย่างอย่างที่หนึ่งเรียกว่าเตาบาเตาบานี่แปลว่าอันนาดำเสียใจในความผิดในอดีตฉะนั้นเดือนอมาดอนเนี่ยเป็นเดือนที่ดีที่สุดเป็นเดือนแห่งการเตาบาพี่น้องอย่าคิดว่าฉันถือสินอดแล้วเตาบาไปในตัวไม่ใช่ ต้องเตาบ้าอีกถือสิ้นอดด้วยเตาบ้าตัวด้วยการพูดว่าฉันเตาบ้าเนี่ยตรงใช้ภาษานี่ astaghfirullah แปลว่าอะไรฉันขออภัยโทษต่ออัลลอัฺ astaghfirullah wa atubu i l a กและฉันข อ, นข อ, นขอสารภาพกลับตัวไปหาอัลลอ ว่าอย่างเงี้ยร้อยครั้งนั่งก็ว่าได้ยืนก็ว่าได้ตอนนอนก็ว่าได้ตอนทําอะไรนี่ว่าได้หมดอัสลาฟุขุลลอฮฺอัสลาฟุขุลลอฮฺวะอาตูบุอิไลต้องรู้ความหมายด้วยนะฉันขออภัยโทษ ต, ต่ออัลลอฮฺในความผิดของฉันฉันขอกลับตัวกลับตัวไปหาอ AH, ัลลอฮฺ سبحانه และก็ุตอาลา ข้อที่สองถอนตัวออกจากความผิดอันนั้นอย่างเด็ดขาดข้อที่สมไม่หวนกลับไปทำความชั่วเหมือนเดิมอีกนี่เขาเรียกว่าทำดีทอกเตาบ้าตัวต่วออัลลอ์แล้วก็ข้อที่4 3ข้อนี้เขาเรียกว่าเรากับอลัลลอ์เขาเรียกว่าฮัดกลลอเรากับอัลลอฮ์ให้ทำสามข้ออเช่น พี่น้องขาดนมาศขาดนมาศขาดนมาศมาห้าปีแล้วถ้าจะตาบ้าตัวเนี่ยจะต้องกล่าวคำนี้แหละอัสลารุลลอวะอตูบุฮิไลแล้วก็ให้หันมานมาศอย่ยาหยุดนมาศถ้าหยุดนมาศแสดงว่าทำดีทอกไม่สำเร็จใช่ไหมอ่านี่เขาเรียกว่าระวางเรากับอัลลอฮ และถ้าหาว่ามันเปนสิทธิอีกอย่างสิทธิระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าฮักุลอาดัมทำยังไงฮักุลอาดัมเนี่ยเอาใช่เราไปเขายืมเงิน เ, เขายืมเงินเขามานี่ฮักกุลอาดัมนะเราไปต่อยหน้าเขาเนี่ยฮักุลอาดัมเราเป็นนินทาเขาไอ้นินทานี่ใช้ยช า, ยชายปากอย่างเดียวสามข้อนี้ ถ้าตั้งารจะเลิกทำความชั่วก็ต้องเดินไปที่บ้านเขาหรือไปดักเขาไปคุยกับเขาฉันขอมาอภัพต้องไปพูดอย่างนี้ด้วยนะฉันขอมาอภัพนะยอมให้หน้าหน้าไรหน้าแตกย่ารอท่านนะสลากมาไดยกุ้งวันนี้มาบุญจะมาเคลียทำามื่าเคลียอะไรฉันน่ะด่าท่านาไว้ยอ ด่ารับหลังด้วยมันจะด่าตอนหน้ารับหลัง ก, ก็เรียกวันินท่าแล้วก็เงินที่ฉันเขายืมมา5้าพันห้าปีแล้วว่ายยังไงจะเขายืมกันไหมหรือจะเคลียร์กันไหมหรือมันจะยกกับว่ากันไปนี่แหละเขาจะว่าเตาบ้าข้อที่สระหว่างฮักกุลล้อกับฮักุลอาดามไม่เหมือนกันฮักกุลล้อทํากี่ข้อ3ถ้ากับมนุษย์ด้วยกันต้องเพิ่มมาอีกข้อหนึ่งนะครับเนี่ยเรื่องสิทธิเนี่ย จะต้องไปขอมาอาบซุนกันแล้วกันอย่างดีเป็นต้นนะน่นเขาเรียกว่าคำคาจิตทอกเอาความชั่วออกจากหัวใจตัวเองขอบคุณอัลลเรามาอยู่ในสูร่าอัลกาฟูอัลก้าฟูนี่แปลว่าอะไรอัลกาฟู ah แปลว่าถ้ำอ่าถ้ำท้ำนะเรื่องถ้ำเนี่ย อยู่ในคัมพีร์คุอ่านเร่อนี้อยาย่นี้รอนนี้แหละนะเดี๋ยวค่อยๆ อ, อ่านไปจะพบว่ากาฟีเนี่ยชาวถ้าเนี่ยอธิบายยังไงนะท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลตสอนไว้สอนอย่างนี้สุรอกาฟีเนี่ยใครที่ท่องจำมันฮาฟิดอัชรอายาตินมินอววัลิสุรติลกาฟีใครที่ท่องจำสิบ อ, อายะ จากสุรัลคาฟีเนี่ยสุร้อนนี้แหละนับไปสิบอายานะท่องแค่สิบอายานี่น่ะเอาซีมามินัดดจาน ด, ดจานมาถึงชซตตอนหัวหน้าไซตตอนเลยน่ะอัลลอจะคุ้มครองไม่ให้ชซตตอน ด, ดจานสิ่งเลวร้ายเนี่ยไม่ให้มาอยู่ใกล้ตัวเราอัลลอคุ้มครองห่นเลยใครที่ท่องจำไม่ใช่อ่านนะ อ่านก่อนเพื่อให้ท่องจำกี่อายะ10สิบอายะอูซีมามินัดเด จ, จัลอลัลลอฮจะคุ้มกันไม่ให้ใช้ยตอนสิ่งเลวร้ายต่างๆที่เรามองไม่เห็นด้วยสายตาของเราเนี่ยนั่นเป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดอะที่เรามองไม่เห็นเนี่ยอลัลลอฮคุ้มครองไม่ให้มาทำอันตรายไม่เอามาแกล้งเรามารังแกเราใช่ไหม แล้วก็ไม่ทำให้หัวใจเราวุ่นวายสับสนนี่เป็นชัยตอนทั้งหมดถ้าอ่านสุร้อนนี้10อายะแค่10อายะนะต้นต้นตั้งแต่เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอันซาลาอิลอับดิฮิลกิตาบะวาลัมยะญัลลัลฮูอิวะจานี่อยยะที่หที่สที่สที่สที่หอ่านไป10อายะแล้วท่องให้จำอัลลอฮฺอักุบะ แต่ต้องรู้ความหมายด้วยนะแต่ถ้ารู้ความหมายเนี่ยชายตอนมันหนีไวแต่ถ้าไม่รู้ความหมายเนี่ยบางทีเราเองเป็นเป็นชายตอนเองใช่ไหมเราเป็นช้ยตอนเองชายตอนมันก็ไม่หนีอย่ดีสิใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องรู้ความหมายว่าเอาล้อพูดเรื่องอะไรใช่ไหมทีนี้สูร้อนี้เนี่ยอัาบีสอนต่อไปอีกนะครับ ใครที่ท่องจำใครที่อ่านสูรสุรนี้อายะที่อายะท้ายๆนะสิบอายะสุดท้ายมีสองฮะดิษนะฮะดิษบทีหนึ่งสิบอายะแรกอีกฮะดิษหนึ่งสิบอายะสุดท้ายของสูรก็เหมือนกันเอาซีมาม i ิ f i t n a t ดัจ j a n ถูกอะไรนะ ฟิทนาของชัยตอนไม่มีสองคำดัจจานใช่ไหมเอาซีมามิน ด, ดัจจานคุมครองไม่ให้ไม่ให้ดัจจานมาอยู่ใกล้ตัวเรานะครับแล้อีกขดิษฐหนึน่งอาซีมามินฟิทนาติดดัจจานความวุว่นวายฟิทนาต่างๆจ า, ากดัจจานเนี่ยจะไม่เข้ามาหาเรามีอยู่สองขดิษ<า>ในตัฟซิดอธิบายดีนะว่าท่านบาระ <clears S 2> ได้รายงานบอกว่ามีอยู่ในสมัยนบีเนี่ยมีอยู่คืนหนึ่งมีชายคนหนึ่งเนี่ยนั่งอ่านสุราอัลก้าฟี่นี่แหละอ่านอ่านอ่านอ่านอ่า น, า น, านเขามีสัตว์ที่บ้านเขาเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงสัตว์จะเป็นอูดเป็นอู ด, เ ป, อดเป็นแพะส่วนใหญ่จะเป็นอูดตัวใหญ่ๆหญ่เลยนะอูดนี่มันกระโจนอ่ะ พออ่านกุณอ่านในบ้านสุร้อนนี้แล้วอูดมันก็โจรเขาก็มองไปดูเอ๊ะจุดก็โจรทําไมอ่ะก็แหงนไปดูทองฟ้ามันเป็นก้อนเมฆอ่ะมีก้อนเมฆเนี่ยเห็นชัดเลยค่อยๆลอยขึ้นลอยขึ้นลอยขึ้นลอยขึ้นไปเขาก็ตกใจพอตื่นช้าขึ้นมาเนี่ย แล้วก็พาเรื่องนี้นําเรื่องนี้ไปเล่าให้นบีฟังบ่ายาโรซุรลลอมเมื่อคืนฉันแปลกมากเลยฉันอ่านซุร์อัลกัฟฟีนี่แหละกำลังอ่านอา่านอยู่สัตว์ที่ที่ฉันเลี้ยงเนี่ยมันมั น, ม, นมันวิ่งอ่ะมันกระโดดเนี่ยคือๆๆๆๆแบบนี้ฉันก็มองไปก็เจอก้อนเมฆเนี่ยมันลอยขึ้นไปข้างบนนบีตอบบอกว่าอิ ก, กรอคุณน่าจะอ่านไปเรื่อยไม่น่าจะหยุดทาไม พะอินนะฮัสกีนะนั่นแหละเป็นความสงบเป็นความดีเป็นสกีนะเป็นความสงบตั้งิลงอินดัลกุรานมาถึงความดีมาถึงมาลาอิกาเนี่ยลงมาฟังอัลกูรานเห็นไหมถ้าเราอ่านในบ้านของเรามลาอิกามาที่ไหนมาที่บ้านของเรานี่อัลลอให้เห็นครั้งเดียวพออย่างพอแล้ว มาลายการลงมาที่บ้านหลังนั้นทำมาลายการลงมาเนี่ยพาอะไรมาให้พาอสัส ก, กิร์นะพาความสงบด้านหัวใจเอามาให้กับครอบครัวนั้นบ้านหลังนั้นกับคนที่อ่านอัลกรุรอานด้วยดีไหมดีมากเลยฉะนั้นอ่านเถอะนะนี่เป็นฮะดีษบทที่สมนะของสุรานิฉะนั้นอ่านอัลกรุรอานสุรากาฟินะอัลลอฮฺอัลลอฮอัลฮัมดุลิลัยละ มีประโยชน์มากเลยเอาต่อมาหะดิษบที่สีท่านอาลีระดีอัลลอฮฺวางดูรายงานบอกว่ามันก็รอสูร่รอตะกฟิเยอมัลจุมอ่ะใครที่อ่านนะทั้งสุร้อเลยทั้งสุร้อเนี่ยมีทั้งหมดกี่อายะหนึ่งอยายะไม่นานเราขึ้นชั่วโมงก็จบ คนเก่งๆเกีวสิบนาทีก็จบใช่ไท่านอ่านทั้งซูร้อนเลยนะในคืนวันศุกรนะ์นะนะในวันศุกร์มันจะบอกว่ากลางวันรือกลางคืนยามันยุมมาในวันศุกร์เนี่ยให้อ่านซูร้อนกาฟรเนี่ยฟหัวะมะสูมุนอีลาสามารถเนี่ยจะอายามจะถูกคุ้มครองแปดวันถูกคุ้มครองกี่วันนะแปดวัน อาทิตย์หนึ่งพอดีอ่านตะวันสุก ส, สาวอาทิตย์จันทร์พุธพระหัท ส, สุข์ถึงวันศุกร์หน้าหพี่น้องคุ้มครองคุ้มครองอะไรไม่ให้ใซตตอนไม่ให้ฟิตรนะไม่ให้ความวุ่นวายคืมาจอใไซตตอนเนี่ยมาหาเราได้แล้วก็นบีก็กาวต่อไปอีกว่าอินขราชกาดัจจาลถ้าหากดัจจานออกมาจริงๆเอาลซีมามินหู อัลลอ์ก็จะคุ้มครองไม่ให้ดัจจานเนี่ยมีอิทธิพลเหนือเรามาการแกล้งเรามารังแกงเราไม่ได้อัลลอฮ์ะจะคุ้มครองหมดเลยทำดีๆดีไหมดีแต่ต้องอ่านอานเท่าไหร่ทางสูเราต่อมาอีกคดีหนึ่ง <c oughs> นบีสอนบอกว่ามันก็รอสูรตะกัฟีเยาวมันจุมงะอัลออัลลฮมินันนูร มาใบานะฮูหัวใบนั่งจุมอาจนี่คำอธิบายของท่านนาบีเป็นอย่างนี้ใครที่อ่านคูอ่านซูราะกาฟี่เมื่อกี้นี้อธิบายว่าไงนะคุมของฟิตนาะ ด, ดจานกี่วันนะแปดวันแต่ฮะ ด, ดิษนี่อธิบายใหม่ใครที่อ่านซูราะกาฟี่ในคืนวันศุกร์ในวันศุกร์มันจะบอกว่ากลางวันหรือกลางคืนนะฟีย้ามินจุมะ อัลบออาลาหูมินานูรอัลาลอ์จะให้รัศมีเนี่ยเกิดขึ้นกับเขาเองรัศมีเนี่ยอยู่กับคนที่อ่านจะอยู่ที่ใบหน้าจะอยู่ที่ศีรษะจะอยู่ตรงไหนไม่รู้อัลบออาลาหุนูรอัลาลอ์จะให้รัศมีเนี่ยเกิดขึ้นที่ตัวของเขามาใบนาหนหูทั้งตลอดชีวิตทั้งตลอดอาทิตย์เลยแปดวันดีไหม อัลลอฮฺบอกวแค่นั้นอ่านคุรานเฉพาะสุร้อนนี้นะโอ้โหมีผลบุญตอบแทนมีรางวัลแต่ไม่ได้รวยนะหมายความว่าเงินเพิ่มไม่ใช่บ้านเพิ่มไม่ใช่รถเพิ่มไม่ใช่อะไรเพิ่มรัศมีเพิ่มแล้วก็จะคุ้มครองเรื่องไม่ดีต่างๆเนี่ยไม่ให้อยู่ใกล้ตัวเราฉันต้องขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และก็ุตอาลฺ มีท uh, ha, uh, nah. ั้งหมดสี่ห้าะดษด้วยกันมาดูกุรานนะอัลฮัมดุลิลลฮิลลอันซัลลัลลาอับดิล์คิทาบ ولم ي ج ع ดูคำแปลนี่เขาบอกอธิบายดีนะเขาบอกสุร่ที่ขึ้นต้น้วยอัลฮัมดุลิลลาเนี่ย สุรที่ขึ้นต้นด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยมีทั้งหมดกี่สูรนักเรียนรู้ไหมมีกี่สุรมีทั้งหมดหสูรที่เริ่มต้นด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์ขึ้นอย่างนี้เนี่ยมีทั้งหมดหกอะไรนะหสูราอาสุรรไหนบ้างเดี๋ยวบอกเลยหนึ่งสูรา ฟ, าฟาติฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบิลลาเามีน อัลลอฮ์มะนุรรห์หิม ah ah ah ่น ah ah nah. ah, ah ี ah ah 18, uh, ah ni, uh. ้เป ah uh. hm ็นตันน oh, ah ี่สุราที่หนึ่งสุราที่สองสุราอันามสุราที่หสุราบทที่หนะต่อมาสุราอัลกัฟฟีสุราที่1ิ1สเออสิสิบเก้าสุราเนี้ยอัลกัฟฟีเนี้ยเริ่มต้นด้วยกับอัลฮัมดูลิลแล้วก็สุราที่สามสิบอัลซาบะ ก็อัลฮัมดุลิลแล้วก็ส ah ุรัลฟาตสุรัที่35มสิบ้าก็เริ่มต้นโดยกับอัลฮัมดุลิลนี่เป็นความรู้นะครับเอามาดูคำแปล น, นะอัลฮัมดุลิลฮิลลีอันซาลลาอับดิฮิลกิตาบแปลว่าบรรดาการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอ อัลลอฮฺผู้ทรงอันซาลาประทานผู้ทรงประทานประทานอะไรอาดาอับดิฮีแก่เบาวของพระองค์คนหนึ่งแก่บาวคนหนึ่งของพระองค์ทายได้ไหมเบาวของพระองค์คนหนึ่งที่อัลลอฮฺประทานคัมภีร์อันกรูอานลงมาได้แก่ใคร นบีมุฮัมมัดมีอยู่คนเดียวเลยในโลกนี้มีอยู่คนเดียวอัลลอฮ์เลือกนบีมูฮัมหมัดคนเดียวแล้วก็ประทานอัลกุรอานเนี่ยผ่านยิบรินให้ยิบรินนำเอามาให้ท่านนาบีมูฮัมมัดคนเดียวนบีมีสองคนได้ไหมไม่ได้นบีมีสามคนได้ไหมไม่ได้ นบีมุฮัมมัดเป็นนบีคนสุดท้ายนี่นะครับคำอธิบายในตัมซีนอธิบายดีข้าอธิบายอย่างนี้คนที่ประเสริฐที่สุดในโลกนี้มีอยู่คนเดียวคือนบีมุฮัมมัดสุลลั ล, ละวะเลยฮิวะสัล ล, ลัลลลมใครที่ชมนบีเนี่ยอัลลอฮุมะซิลลัยฮุหมุฮัมมัดเนี่ยคนที่ชมนบียอย่างนี้เนี่ยนะอัลลอฮ์จะชมกับ สิบครั้งฉะนั้นเราชมนบีเยอะๆอัลลอฮุมะซิอัลลอฮมุ hammad มาเลออฺมุ hammad แบบนว่าอัตฮายานี่แหละอัลลอฮ์จะชมกลับทรายสิบก็มีอยู่คนเดียวในโลกนี้是是 um Muhammad, ใช่ไหมอัลลอฮุมะซิลอัลลอฮมุ hammad ใครที่ชมนบีอัลล์แล้วอัลลอ์สั่งให้ชมนบีเยอะๆและอัลลอฮ์ก็จะชมกลับคนที่ชมนบีประมาณสิบครั้งด้วยกัน อต่อมาอัลกิตาบอัลลอฮ์ได้ประทานคัมภีร์กีตาไปว่าคัมภีร์คัมภีร์เล่มไหนไม่อยู่เล่มเดียวคือคัมภีร์กุรานคือคัมภีร์ที่มาจากชั้นฟ้าน่ะมีอยู่หลายเล่มซะบูตอินยินตารอดกุรานมีอยู่สี่เล่มใชม่แต่เล่มที่ดีที่สุดที่ถูกรักษาจนถึงวันนี้และจนถึงวันกิยามะมีคัมภีร์อัลกุรานอยู่เล่มเดียว ส่วนคัมภีร์ที่มาจากชั้นฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่คัมภีร์เนี่ยจะถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนเดือนนี้แหละคัมภีร์ทั้งหมดนี่นะตาวรส์กาบูนอินจีลกุรานถูกประทานครั้งแรกใ น, ในเดือนรอมฎอนทั้งหมดไม่มีเดือนอื่นเดือนรอมฎอนอย่างเดียวประทานอย่างนี้ประทานลงมาจากลาฮิลมาฟูซมาไว้ทีใบตุลอิซะครั้งแรกเนี่ยลงมาทั้งทั้งเล่มเลย มาพักไว้ที่ไหนใบตุลนไหลซาแห่งชานฝาในเดือนรอมฎอนเป็นกลางคืนด้วยนะไหลลาลตุลกอดรีอ่าแล้วก็จากนั้นนะจากใบตุลนไหลซาเนี่ยทยอยลงมามอบให้กับท่านนาบีเนะี่ยทีละสิบอายะร้อยอายะห้าสิบอายะมีเหตุการณ์ทีุูอ่านก็ถูกประทานลงมาทีหนึ่งมาแก้ปัญหามาปลดลอ็อกอ่ากอ่านมาแก้มาแก้มาแก้มาแก้ ดันั้นกุณอ่านเป็นคัมภีร์เล่มเดียวที่หลงเหลืออยู่บนโลกดุนยาใบนี้จนกว่าจะถึงวันตรีมะให้กับท่านนาบี ม, มุฮัมมัดซึ่งเป็นผู้ชายคนเดียวที่สมบูรณ์ที่สุดไม่มีใครเหมือนท่านนาบีมรรูาฮัซลลอห์อะลัยฮุสซาลลัมฉะนั้นมีหนังสืออยู่เล่มเดียวคือคัมภีร์คุรานเป็นคัมภีร์ที่สมบูรณ์ที่สุดถูกประทานลงมาให้กับนบี ม, มุฮัมมัดเป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุด มีอยู่คนเดียวในะโลกดุนยาแบนี้วันนี้ถึงนบีจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามแต่อัลกุรอานยังหลงเหลืออยู่สุนนะนบียังหลงเหลืออยู่ไม่ได้สูญหายไปไหนเลยถูกบันทึกในหนังสืออิมามบุคอรีของอิมามมุสลิมอิมามติดมิรีนราซาอีอิบนุมาจาหกเล่มคําบันทึกสุนนะนบีไว้ทั้งหบดว่านาบีทํำยังไง นบีพูดอะไรนบีสอนอะไรถูกบันทึกไว้หมดเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาลีอัลลอฮิเบดีฮิกิตาบันดากาสารเสินเป็นของอัลลอฮ์ผู้ทรงประทานคำพีแก่บาวของพระองค์นะครับวาลัมยาญะลาหูอัยวาจาและพระองค์ มิได้ทรงทําให้อัลกุรอานมีการบิดเบือนแต่อย่างใดคําว่าบิดเบือนเนี่ยหมายถึงไม่มีข้อตําหนิกุรอานเล่ ม, น, ม, มนี้ไม่มีข้อตําหนิไม่มีข้อตําหนิเนี่ยทุกทุกด้านนะด้านด้านภาษาด้านภาษาอาลัลลอฮ์ภาษากุรอานเป็นภาษาที่ไพเราะมากเลยด้านความหมาย ความหมายก็สมบูรณ์แล้วก็ไม่ขัดแย้งกันกุรอานกับกุรอานเนี่ยไม่ขัดแย้งกันคําไปคาอธิบายให้ซึ่งกันและกันตรวจอบว่าด้านภาษาสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ด้านนาฮูก็สมบูรณ์ไวยากรณ์ก็สมบูรณ์ด้านความหมายก็สมบูรณ์ทุกสมบูรณ์หมดเลยประวัติศาสตร์กระบวนการในการเปกุรอานทุกศาสตร์ใ น, ใ น, นรกระบวนการเปล่กุรอานทั้งหมด เราเข้าใจแค่ไหนเท่านั้นเองความสมบูรณ์ในอัลกรุรอานสมบูรณ์มากเพราะอัลลอฮ์ตัดว่าไงนะวะลัมยาฮ์ละหูอิวะจ์และพระองค์มิได้ทรงทำให้อัลกรุรอานนี้มีการบิดเบือนแต่อย่างใดควาว่าบิดเบือนก็คือไม่มีข้อตำหนิดใดๆไม่มีข้อสงสัยไม่มีข้อคลางแคลงนะครับตัวลงนสมบูรณ์มาจากอัลลอ์สุบฮานะูวะตาา ฉันคนที่เรียนเรียนภาษาอร а บนะเรียนจากอุลตานเนี่ยเก่งเนี่ยท่องศัพท์จากอกุลตรานี่นะมีคนปากีสถานอยู่คนหนึ่งเขาเขียนหนังสือไว้เล่มหนังบุอ๊อ่านอ่านไปอ๋อดีมากเขียนเรียนประมาณสักสองศูนยหรอเท่านั้นแหละ <c oughs> เรียนศัพท์จากอกุลตรานี่อัลิฟลามิบซาลิกะแปลว่าอะไรซาลิกะกิตาบุ ลาโรยบาฟีฮีแปลว่าอะไรประมาณสองสุร้อนอกนั้นแปลเดีหมดเลยจําแค่สองสุร้อเท่านั้นแหละเอาศัพท์มันนะลาจิกันกิตาบุลาโรยบาฟีฮูดานฮูดานแปลว่าอะไ ร, ไไรลินมุตตะกีนแปลว่าอะไรเอาศัพท์ทุกคําในสุร้อบักร้อกับสุร้ออาลอิมรอสองสุร้อนี้นะเอาท่องศัพท์ให้จําหมดเลยนอกนั้นแปลกูอ่านเดีหมดเลย Has, นี่เลารอให้อ่ะเห็มไหมแต่ท่านถ้าจะเรียนภาษาอ раб นี่เรียนจากกุลอาเนี่ยถ้าไม่มีครูนะมีกุลอาอยู่เล่มนก็มีคำแปลภาษาไทยค่อยๆศึกษาไปอัลลาอักฮฺยิ่งใหญ่เหลือเกินนะอ้าวต่อมากับอายาที่สองไกมัลลิยุนซิรบะสันชาดีดามมิลละดุน و َ ي ُ ب َ ش ِّ ر ์ المؤمنين َُِِْْ الذين ََِّ يعملون َََُْ الصالحات ََِِّ أن ََّ لهم َُْ أجر ًَْ ا حسناء ًََอายะที่2ครับกอยยิมันกอยยิมันนี่แปลว่าอะไรนะอัลกุรอานนั้นเที่ยงธรรมกอยยิมแปลว่าเที่ยงธรรม เที่ยงธรรมอธิบายอย่างนี้ไม่มีข้อสงสัยไม่มีข้อโต้แยง้งไม่มีการบิดเบือนใดๆทั้งความหมายและภาษาและถ้อยคำโอ้เนี่ยคาอธิบายก้อยยิมเนี่แปลว่ายืนหยัดตรงเป็นคำสอนที่ตรงไปตรงมาใครนำผู้ใดเอาคุรานไปปฏิบัติเขาจะได้บรารักัดกับชีวิตของเขา9ก้ารายการอย่าลืมนะ เอาคัมเนี่ยเอาความรู้จากคุมอารไปปฏิบัติกับตัวเองเนี่ยอัลลอฮ์ให้กี่อย่างนะ9อย่างโอ้อุลามะอธิบายดีมากครับรู้มาได้อะไรบ้างหนึ่งได้กับดุญยาสองได้ชีวิตหลังตายสาได้โลกอาคิรอสามแล้วนะสี่ได้กับตัวเองหได้กับครอบครัวห ได้กับธุรกิจนะธุรกิจที่เราทำมาค้าขายที่เอาเงินเข้าบ้านเนี่ยเงินก็มีบารากัเวลาจ่ายให้ใครไปก็ตามไอ้เงินนั่นก็มีบารากัดนี่เจดแล้วนะ8ดีกับจิตวิญญาณโลกดีกับสังคมตัวร้องว่าคนที่นำเอาความรู้จอากอัลกุรอานที่กอยยีมันนะครับ พจาย์แลหวไอวัไม่มีข้อบิดเบือนแล้วก็ยืนหยัดตรงไปตรงมานะครับได้ประโยชน์กับคนที่เอาคุรานมาบำรุงแล้วนะมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเนี่ยได้กว่าตัวเองกี่ข้อนะเก้าข้อไม่มีข้อเสียหายเลยอ้าวขออธิบายนิดนึงคุรานเนี่ยนะ กูรราฮที่เราอ่านอยู่ขณะนี้เนะี่ยกุร์าน์เล่มนี้เนี่ยนะยิ่งอ่านในเดือนมอสดนี่นะกูร์าฮจะไปเป็นทนายกูจักทนายบางเหรอคนที่เป็นความที่ขึ้นศาลบ่อยๆจะรู้ดีเลยจะเป็นทนายไปว่าตางังนี่ไปเป็นไปเป็นทนายแก้ต่างกับไรนะบหน้ากับนู่นกับศาลน่ะกับผู้พิพากษากับศาลนูเลย กูอานจะพูดในวันตียามะเนี่ยกุูอ่านเร่อีที่รูอ่านอยู่เนี่ยจะพูดกับอัลลอฮ์ในวันตียามะรู้ไหพูดว่าไงโอ้อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะโปรดให้ฉันได้ช่วยคนคนนี้ด้วยเถิดกูอ่านจะพูดกับอัลลอฮ์เองว่ายาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ฉันได้ช่วยคนคนนี้เถอะเพราะคนคนนี้นะ่ะอ่านฉันในเวลากลางคืน อดหลับอดนอนไม่ได้นอนเพราะอ่านฉันช่วยให้ให้ฉันเนี่ยได้ช่วยคนคนนี้โดยเถิดอ้าวใ น, นเมื่อกูรอานพูดได้แล้วขอต่ออลัลลอฮ์เนี่ยอลัลลอฮ์ให้หรือไม่ให้ให้ อ, อัลลอฮ์เอาไปกูรอ่านก็ช่วยเราไงฉะนั้นคนที่อ่านกุรอ่านเยอะๆเนี่ยอลัลลอฮ์กูรอานจะช่วยเราในวันเกียร์มาก ถามว่ากุรานช่วยนะเราไปไหนไปสวรรค์พูดก็ตรงๆเราไปสวรรค์อย่างอื่นไม่ช่วยขั้นคนที่อ่านกุรานเยอะๆนี่อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะอะไรจะให้คุรานเลื่มนี้นะจะมาแก้ต่างเราเป็นทนายยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะขอให้ฉันช่วยคนคนนี้หน่อยนะฉันจะได้ช่วยเขาให้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สุฮาหนาอูวาตาล่อัลลอฮ์นี่ดีได้ไม่ดี ไปรู้จริงๆในวันกิยามะนี่นบีเล่าให้ฟังแล้วเรื่องความลับอระหัมดลิล่ะต้องขอบคุณอัลลอฮ์ใครคนที่อ่านกุรอ่านเยอะๆถือกุรอานแล้วอ่านบ่อยๆแสดงว่าคนคนนี้เข้าใจเพราะคุรอ่านนี่ช่วยเราได้ในวันกิยามะอ้าวต่อมาครับกออียิมันกุรอ่านเรื่อนี้เป็นอะไรนะเป็นคำพีที่เที่ยงคำ แล้วก็คนที่เอาคุรานนีไปใช้ในชีวิตประจําวันก็ถูกทําให้เที่ยงธรรมด้วยเหมือนกันตัวกุรานนะเที่ยงธรรมอยู่แล้วดีอยู่แล้วแล้วก็คนที่เอาคุรานเนี่ยเอามาใช้เนี่ยคุรานจะทําให้เขาอยู่ในทางนําที่ถูกต้องใช่หรือไม่ใช่ใช่สวาบานะบีทั้งหมดเนี่ยเขาเอาคุรานนําหน้าเขาแล้วคุรานเรื่องนี้นะ โลกดุนยาใบนี้เดินตามอัลกุรอานเล่ม น, นี้ทุกเรื่องเดินตามกุรอานหมดจะนั่นกุรอานตัวกุรอานเองเน่อะไรนะเป็นคำพีที่เที่ยงธรรมแล้วก็คนที่เอากุรอานมาใช้ในชีวิตประจำวันกุรอานทำให้เขาอยู่ในทางที่เที่ยงธรรมด้วยเหมือนกันอัลลอฮ์คนที่ปฏิบัติตามอัลกุรอานเนี่ย อ, อัลลอฮอัรอ มันเด่นมันเด็ดรู้ไหมไซนาอุมัดนะเป็นคอลีฟาคนที่สองของอิสลามอ่านคุรานออกไหมออกท่องจํากุรานไหมท่องจําเฉพาะสุรฮะบะกล ร, ร้อยอย่างเดียวไซนาอุมัดเรียนตับซีคุรานใช้เวลากี่ปีรู้ปะใครรู้ปะกี่ปีสิบสองปี เบเท่าพวกเรานเน่รนี่ยเรียนกันมา19อายานี่กี่ปีแล้วเนี่ยิเจปี18ปีแล้วใช่ไหมคุณเฉลมิม 18-19 ปีคนเรียนตายนี่รอคนสอนจะตายแล้วเห็นไหมสซนาอุมัสเนเรียนตับซีิบปีอานสุร บ, บักรรอใช้เวลาเรียนกี่ปีส2บสองปีอัลลอฮฺเห็นอย่างเนี่ยแล้วคนอย่างนี้เนี่ยกูอ่านจะไม่เป็น ไปเป็นทนายยืนในยาอัลลอฮ์จ่าช่วยสไยนาอุมัดน่อยเพราะเขาอ่านฉันตลอดเราก็เหมือนกันถอนอ้อ่านกูอานเนี่ยจากูอ่านบ่อยๆอ่านกูอ่านบ่อยๆอัลลอฮ์อักบันรู้ปะ่ะสายตาเราเนี่ยนะให้จ้องมองอะไรสายตาจะดีรู้หมหนึ่งจ้องกูอานนี่นี่จ้องกูอานนี่แหลส ะ, ส, ละสายตาจะดีสองจ้องใบตุลอลสายตาจะดีสาม จ้องน้ำในทะเลน่ะเขียวเขียวอ่ะสายตาจะดีแล้วก็จ้องทองฟ้าเนี่ยงั้นดูสี่ห้ารายการเราจ้องกาบาจ้องดูกาบาเนี่ยสีเหลี่ยมนั่นแนหะนั่นแหละหนึ่งจ้องดูอัลกุรอานสองจ้องดูกาบาสามจ้องดูน้าทะเลสี่จ้องดทอูทองฟ้าห้าจ้องดูเนี่ยใบไม้เขียวเขียวเนี่ยถ้าไม่สายตาดี จองหน้าผู้หญิงดีได้ไหมดีถามดุมดุมดีที่นายได้บาปทั้งหมดเลยนั่นแหละนบีอธิบายอย่างนี้เห็นหน้าผู้หญิงเนี่ยให้มองได้ครั้งแรกครั้งเดียวลองลงมาให้ทำไงเวลเห็นหน้าแล้วให้ก้มก้มหนะําทำทำได้เปล่าคนที่อ่านกรมอีร์เยอะๆทำได้คนไม่เคยแตกกัรภานททำไม่ได้ผมเคยถามคนคนหนึ่งเคยหลบหน้าไหม ไม่เคยจ้องตลอดเคยหลบไหมไม่เคยหลบคิดจะหลบไหมหลบแล้วมันได้อะไระเพราะไม่เคยอ่านฮะดีซ์่ะท่านคนที่อ่านฮะดีซเขาจะรู้ว่าไม่จ้องหน้าคนไม่จ้องหน้าผู้หญิงเนี่ยเป็นยังไงมีรางวัลอะไรได้รับอะไรเป็นรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลได้รับความหวานชำ่ำฮาเลวะตลอีมานคนที่ไม่จ้องหน้าสัตว์เพศตรงข้ามเนี่ย คนนี้ทั้งหญิงและชายเนี่ยจะได้รับความหวานชามของอีม่านเป็นรางวัลตอบแทนจาก AH. าอัลลอฮสุบฮานหูวตาละเอาต่อมาครับกอีมานลยุนซ <ida> ิรบะซันชดีดาคุรานนี้เป็นข้อลียุนซิระเป็นข้อเตือนเป็นข้อตัดเตือนใช่ไหม กุรอานเล่มนี้เป็นข้อตักเตือนไม่ใช่มาเป็นคาถาไม่ใช่มาเป็นอาซิมัตยอ่อกุรอานเล็กๆอาศัยคอไม่ใช่นั่นไม่ใช่ปาหมาของกุร อ, า น, อานกุรอานก็ลีตุ้นศิรอเพื่ออะไรนะเพื่อเตือนอัลลอฮ์เตือนคนถึงการอะไร บะสันการลงโทษชาดีดันซาดิตนะซาดิตแปลว่าแรงๆทำอะไรแบบรุนแรงเรียกว่าซาดิตเอาไปใช้เอาเ อ, าอาักูอ่านไปใช้พวกซาดิตนะนะพวกซาดิตเนี่ยาดีดน่ภาษาอับคนที่ถูกอะไรนะลงโทษอย่างสาหัดมิลลุนหุจากพระองค์จากอัลลอฮสุบฮานาวูตานาอลกุรอานเล่มนี้เนี่ย อัลลอฮประทานลงมานะครับเพื่อมาเตือนถึงการลงโทษอันรุนแรงการลงโทษนั้นมันจะมาจากอเมริกานะมิลลดุนหูจากใครนะจากอัลลอฮสุบฮานาหูวาตาละตกลงว่ากูอ่านเล่มนี้ไม่ใช่เป็นอาซิมัดภูกคอไม่ใช่แต่เป็นคำเตือนคนที่ทำบาปฉะนั้นคนที่ไม่เอาอัลลอฮ คนที่ไม่เชื่อกุอรูอ่านกุรอ่านเตือนนะระวังระวังระวังไม่สนใจกุอรอ่านจิตเป็นคนแขกทั้งหลายเนี่ยระวังระวังตัวให้ดีอัลลอฮ์ไม่อะไรนะไม่ยึดริสกีกับอัลลอฮ์ไม่ทํำลายใครให้อยู่นี่แหละให้อยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปมีบ้านใหญ่ๆอยู่ไม่อา่อานกุรูอานไม่เรียนกุรูอ่านไม่ศึกษาอัลกุรูอาน อัลลอฮ์ไม่ไม่รีบลงโทษนะประวิงเวลาเอาไว้โน่นนะจนกว่าจะตายนี่แหละอัลลอฮ์จะประวิงเวลาเอาไว้ชะต้านี่อัลลอฮ์เตือนแล้วนะท่านพีอัลกรุรอานที่ฉันประทานลงมานั้นเตือนเขาจะได้รับการลงโทษอันยิ่งใหญ่อันทรมานที่สาหัสที่สุดจากอัลลอฮ์ คนที่หันหลังให้กับอัลกุรอานคนที่ไม่สนใจอัลกุรอานคนที่มีกุรอานอยู่ในมือแล้วไม่เคยปฏิบัติตามอัลกุรอานและไม่อีมานต่ออัลละ์และไม่อีมานต่อไอคำพีกุรอานเนี่ยระวังตัวให้ดีและต่อมาอีกวายูบั h ชิร์ลมินินและแจ้งข่าวดีบัชชิรอยู่บัชชิรุแปลว่า เพื <formation jin inh aling ihood> ่อแจ้งข่าวดีกับใครอัลมุมีนบรรดาผู้ศรัทธาอัลลอฮฺอักุบัด์ท่านใครที่เรื่องศรัทธามาเรื่องของหัวใจนะอัลลอแค่เราศรัทธาต่ออัลลอฮศรัทธาต่อมลาอิกะศรัทธาต่อรอซูลศรัทธาต่อคัมภีศรัทธาต่อวันอาคิรอศรัทธาต่อกฎกบกะดัศหกข้อนี้อัลลอฮจะให้รางวัล ตอบแทนกับคนที่มีอีมานที่สมบูรณ์อีมานไม่ใช่มีแค่หกข้อนะอีมานมีทั้งหมดประมาณ70กว่าสาขาการทำดีกับพ่อแม่ก็เป็นอีมานใช่ไหมการมานอาหมาที่มัสยิดก็เป็นอีมานข้อหนึ่งการเดินมามัสยิดก็เป็นอีมานอีกข้อหนึ่งการติดต่อกับญาติพี่น้องก็เป็นอีมานอีกข้อหนึ่ง เป็นของดีทั้งหมดแลวมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอสุบฮานาวตอัลาบางทีเราก็เห็นตนทางตาเห็นบางทีก็ไปเห็นอยู่ในกูโบบางทีก็ไปเห็นในโลกอาคิรอดนู่นเลยอัลลอให้ไม่เหมือนกันอ่าต่อมาครับคนที่มีอีมานผู้ที่อย่ามาลูนสาลิฮั ก็ทำความดีทั้งหลายอัลลอฮฺแจ้งข่าวดีฉะนั้นกุรานนี้แจ้งข่าวดีกับคนที่ไม่เอาศาสนาไม่ใช่สิแจ้งข่าวร้ายการลงโทษอันเจ็บป่วยกับคนที่ไม่เอาศาสนากับแจ้งข่าวดีกับคนที่มีอีมานต่ออัลลอฮฺเอาศาสนาแล้วก็มีอามัณที่ซอลและอามัณฑีซอลและอย่าลืมนะนั่งในมัสยิดหลับๆตื่นตื น, ตนก็ยังมีเป็นอามัณฑีซอแลแลนะ เข้าห้องน้ำาดวยเท้าซ้ายก็เป็นอามันติซอแหละเข้ามัสยิดโดยเท้าขวาก็เป็นอามันติซอแหละเห็นหน้าเพศตรงกันข้ามมองนิดหนึ่งก้มหน้าเป็นอามันติซอแหละเลี้ยงอาหารละซินอดในเดือนรอมฎอนเป็นอามันติซอแหละเอาอินทรพาลา ม, มาแจากคนที่ถือซินอดก็เป็นอามันติซอและออก จากมัสยิดก่อนและอารองเท้าชาวบ้านใส่เป็นอามันทิซอลได้ไหมเป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นนะออกก่อนเพื่อนเลยไปดูรองเท้าของใครสวชั้นใส่ก่อนอัลลอฮฺอักบัรนั่นไม่ใช่อามันทิซอลแล้วนะจาำมาไว้อืเข้ามามัสยิดมาเลือกอยู่ซอฟหน้าเข้าเป็นคนแรกดันไปนั่งอยู่ซอกหลังอามันทิซอแลได้ไหม อามันที่ซอลแล็เหมือนกันแต่ซอลแล็ไม่ค่อยดีเท่าไรใช่ไหมเข้าสู่เรามันกว่าดีอยู่แล้วดันเลือกนั่งข้างหลังแต่พวกเราไม่มีแย่งข้างหน้ากันหมดมวลสุกมาวานเนี่ยผมดีใจนะนเรียนนั่งข้างหน้าไอ้หมดเลยเหลือเราเวนิดหนึ่งไ อ, อ้ทําทำลาเรามาที่หลังหน่อยทำ ด, ดีหมดอ่ดีหมดอามันที่ซอลแล็เนี่ยคุณอ่านเรื่อนี้ บอกว่าคุณจะมีข่าวดีกับคนที่มีอามันทิศแล้วต่อมาครับอันนาลาหุมอาจรอนฮัสนาสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับรางวัลอันดีงามอาจรอนฮัสนารางวัลอันดีงามเนี่ยท่องตุวอานอายานี้มันอร่อยอ่ะอรอยจริงๆคือรู้ความหมายอ่ะกอยยิมันลิยุนซิรบะสันชาดีดามิลลาดุนหุบ ว่าจะบัชร์ المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراًحسن อาจาร์แปลวอะไรนะรางวัล حسن รางวัลที่ดีรางวัลที่ดีนั่นหมายถึงอะไรต้องอาศัยตัฟซิกตัฟซิกอธิบายอย่างนี้รางวัลที่ดีก็คือจันนะจัน่าแปลวอะไรสวรรสวรรค์ ว่าบัชซิร์ลมุมินินมุมินเขาอธิบายอย่างงี้คนที่อีมานตัวอัลกุรอานและคนที่เชื่อว่าอีมานเนี่ยออเป็นของดีอีมานอธิบายยังไงคำว่าอีมานอีมานต้องเชื่อในสิ่งที่สายตามองไม่เห็นถ้าหากว่าเห็นด้วยสายตาไม่เรียกว่าอีมานอย่างฮะยิฟรุกนั่งตรงนี้ใส่หมวกสีดํากางเกงสีดําเสื้อสีอย่างนี้นะ ถ้าเห็นด้วยสายตาเนี่ยไม่เรียกว่าอีมานเรียกว่าเห็นด้วยตาแต่หากว่าเราเชื่อแต่มองไม่เห็นอย่างนี product, okay. ้เขาเรียกว่าอีมานอย่างอัลลอฮ์เนี่ยเราเชื่อว่ามีเคยเห็นไหมอัลลอฮ์เป็นยังไงไม่เคยเห็นสวรรค์มีแต่ไม่เคยเห็นสวรรค์นบีเพียงแต่เล่าภาพให้ฟังเท่านั้นเองเราเชื่อว่ามีนั่นแหละเขาเรียกว่าอีมานสายตาต้องมองไม่เห็นสายเทาไม่เคยสัมผัส ถ้าของที่เห็นด้วยสายตาไม่เรียกว่าอีมานนะอีมานแปลว่าศรัทธาหรือ b บิลีฟหรือ faith ในภาษาอังกฤษนะ Believe and faith นะเอาต่อมาครับมากิซินาฟิอับบะดามากิซินาฟิอับบะดาอยู่ในนั้นอัลลอฮฺอักบอรฺอัลฮัมดุลิลลา มากรีซีนแปลว่าอะไรนะอยู่ในนั้นฟีฮีอยู่ในสวนสวรรค์อาบาดันแปลว่าอะไรนะตลอดไปเป็นผู้พำนกอยู่ในนั้นตลอดไปหมายความว่าใครถ้าได้เข้าสวรรค์แล้วไม่ต้องออกอยู่ไปเลย เราอยู่บ้านเราเนี่ยบางทีก็ถูกไล่บางทีเมียไล่เชิญเชิเชิ ญ, ช ญ, ชญอยู่ข้างนอกไปเอาผงผ้าโยนทิ้งข้างนอกผู้ชายบางคนก็ถูกเมียไล่มาแล้วรู้รู้บางทีก็ไล่เมียออกเธอไปเลยไปเลยไปเลยเอาผ้าไปด้วยแต่อยู่ในสวรรค์นเนี่ยเอาล้อมไม่ไล่ออกเลยอยู่ไปตลอดแล้วก็ภาษาที่คุยในสวรรค์รู้ไหมภาษาอะไรนเรียนรู้ไหมภาษาอะไร ภาษาลาวภาษาอาหรับรู้เปล่าที่คุยอยู่ในสวนสวรรค์ในะภาษาอาหรับถามว่ามีโรงเรียนติลหรือเปล่าก่อนเข้าไม่ต้องพอเข้าแล้วได้อาหรับเลยขนาดไม่ต้องเรียนนี่นะพอเข้าปัา๊บอัลลอฮ์คุยภาษาอาหรับเลยเก็บข้ากมันอันอ้นอะนาอูรีดุลมะคุยได้เลยคุยภาษาอาหรับได้เลยแล้วก็คนที่เข้าสวรรค์เนี่ยอายุเท่าไรรู้เป่า สามสิบสามกำลังหนุ่มพ้อเลยนะ่แลวอยู่ในสวรรค์นี่นะไม่ต้องข้าวของน้ำไม่ต้องแย่งข้าวของน้ำไม่ต้องแล้วก็ไม่ต้องอะไรอีกอโลเยอะของดีเยอะในสวรรค์เนี่ยนะอลอักบัตไม่มีกลางคืนมีแต่กลางวันเอาบากลางคืนไม่มีมีแต่กลางวันอย่างเดียวเอาไหม เอาเอามันอร่อยทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็อายุเท่าไรสามสิบสามยังกร็ร่วมหลับนอนกับภรรยาเนี่ยธรรมดาคนทั่วทั่วไปทั่วโลกนี่แหละพอร่วมหลับนอนแล้วมันก็เพลียมันจะหลับแต่ใ น, นสวนสวรรค์มายอย่างงั้นพอร่วมหลับนอนแล้วก็แข็งแรงก็เก่าอี ก, กเอาเปล่าเอา <laughs> แล้วก็ความแข็งแรงเนี่ยนะชาวาเนี่ยนะอารมณ์ใคร่ย ของผู้ชาแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเท่ากับผู้ชายร้อยคนอยู่ในตัวเองดีไหมมัมมนทำอยู่เรื่อยอร่อยจริงๆทำอยู่เรื่อยเอาให้เข้าวสวรรค์ขอนอาตอ่อรอเวลาขอต้องเข้าวฟินเดาเลยนะอย่ารอฉันขอเข้าวสวรรค์ชันฟินเดาสชั้นสูงสุดเลยเพราะว่าคนที่อยู่ชั้นสูงโอกาสมาเยี่ยมคนที่อยู่ข้างล่างได้แต่คนที่ขอชั้นต่ําำ อยากจะขึ้นไปเยี่ยมญาติพี่น้องอยู่ข้างบนเยี่ยมได้ไหมเขาไม่ให้ขึ้นฮะดิษนบีบอกว่าคนที่อยู่ชั้นต่ำๆไม่มีสิทธิ์ไปเยี่ยมญาติพี่น้องที่อยู่ชั้นเนี่ยชั้นพิเศษพิเศษไม่มีสิทธิ์ขึ้นนะแค่ท่านขอให้อยู่ชั้นสูงๆแค่จะมีโอกาสมาเยี่ยมมาเยี่ยมพี่น้องเราใช่ไหมอยากพวกเธอเนี่ยมา ก, กี่จังหวัดเนี่ยสามสิบกว่าจังหวัดอยาจะเยี่ยมมหามนุษย์เนาะอยู่ อยู่ระยอง น, นู่นสวรรค์ชั้นที่90นเเราอยู่ชั้นห้า้นได้ไหมไม่มีสิทธิ์แต่ถ้าขอรับเรเข้าชั้นสูงสูงแกจะมีโอกาสลงมาเยี่ยมเพื่อนเพื่อนที่อยู่ชั้นต่ำ ต, ำตำกว่าเราได้นะอัลฮัมดุลิลละนะครับพอเข้าสวรรค์แล้วเนี่ยอยู่ไปตลอดเลยข้อรีดีนะฟี่ฮอยู่ในนั้นตลอด อัลฮัมดุลิลลอฮตัวมาอายะที่ไรอายะที่สนะวายุนซีรอลละดีนะกอลุตตะขะซัลลัลฮุวาะดาข้อที่4 น, 4, นี่อัลกุรอานเล่ม น, นี้เตือนยุนซีรอนแปลว่าเตือนสำทับเป็นการเตือนนะเตือนใครอัลละดีนะผู้ที่กอลูคนที่กล่าวว่า อิจตาขอจัลลอฮฺหัวละดคนที่พูดว่าหรือกล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงตั้งพระบุตรขึ้นอัลลอฮ์มีลูกเตือนคนที่กล่าวว่าอัลลอฮ์มีลูกชายเห็นยังนี่เตือนพวกใครเนี่ยเตือนพี่น้องที่เป็นนาซระระวังให้ดีนะ เองนะ่ะชอบพูดว่าอัลลอฮ์มีลูกชายชื่อนบีอิสซาอา้าวระคาที่ว่าอัลลอฮ์มีลูกมีลูกมีลูกเนี่ยพวกยาฮูดีนี่บอกว่าอัลลอฮ์มีลูกชื่อชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรนะอูเซอรอูเซอร์ชื่ออูเซอรอ่าระวังแล้วก็พวกอาับมุชลีกีนในะนครมักกะเนี่ยวันนู้นนะว่าอัลลอฮ์ เอาเมาลาริก้ามาเป็นลูกสาวระวังให้ดีคนที่พูดว่าอลัลลอฮ์มีลูกจะไม่ลูกสาวลูกชายก็ดีเตือนนะเลิกนะถ้าไม่เลิกระวังถ้ายังเชื่อว่าอลัลลอฮ์มีลูกยะกระทั่งตายนะฉันเล่นงานเธอแน่ๆนี่กรอ่านเตือนแล้วทีนี้มนุษย์บางคนคิดว่ามาอลัลลอฮนะ์เหมือนเราเราในเวลาเบือนะ่อคิดถึงใครคิดถึงเมียจะไม่ใช่เลยไม่ใช่ คิดถึงแฟนเธอจะมานั่งข้างๆหน่อยสิหายเหงาอ่าบางทีแฟนมาอยู่ลูกลูกมานั่งข้างๆย่อหน่อยคิดว่าอัลลอฮ์เหมือนมนุษย์เวลาเหงามองหน้าลูกใช่ไหมเวลาเหงาคิดถึงภรรยาเห็นหน้าลูกกับภรรยาหายเหงานั่นมนุษย์แต่อัลลอฮ์ไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ใช่กุรอานตรงไหนก่ะกุ ล, ลหุอัลลอฮูอาฮัดนี่อ่านทุกคืนนะ ในเวลาวิเทอ่มอ่านทุกคืนใช่ไหมใช่ไอ่านทุกคืนแต่อ่านแบบไม่รู้เรื่องอ่ะอ่านแบบไม่รู้เรื่องอ่ะมุสลิมเราเยอะอ่านกุรอ่านไม่รู้ความหมายเยอะไปหมดกุณหัวลอหัวฮัดอัลลอฮ์ขุมัดอัลลอฮที่ทุกสิ่งต้องพึ่งอัลลอฮหมดในโลกดุนยาไปนี้วลำยาคุรละูกูฟวันอะฮัดอัลลอฮไม่มีลูกอัลลอฮไม่มีพ่อและไม่มีอะไรเสมอเหมือนอัลลอฮุบฮานูต่างๆฉะนั้นใครที่พูดว่าอัลลอฮมีลูกระวังดี ระวังให้ดีนะครับวายุนซรัลลาซีนักอลุตตะคอซลอฮูวาลเดและเพื่อเตือนสำทับบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงตั้งพระบุตรขึ้นมานี่เป็นบาปใหญ่อันเหลือเกินคนที่พูดว่าอัลลอ์มีลูกเนี่ยเป็นน้องชาวคริสเตียนพออ่านก้นอ่านเนี่ยหลังจากตึกเวนเทรดระเบิดมีคน บอกว่า น, นี่อฝีมือมุสลิมอุสซามาเบลลาเดนหัวหนาใหญ่เขาก็สงสัยมุสลิมนมันเลวมากถขนาดนี้เฉหรอเขาว่าคัมภีร์ของมุสลิมน่งคำภีอะไรกุรานะก็ไปอ่า น, นกุร อ, อ่านว่าคำภีรกุรานนี่สอนใ้คนระเบิดตรงนั้นระเบิดตรงนี้จริงหรือเปล่าพอเปิดดูก็ไปเจออาญาเนี้รับอิสลามกัเป็นแถวอ้าวอาวัลลอฮ์ไม่มีลูกอน่ะ และเราในถูกสอนว่าอาลัลลอ์มีลูกชื่อนาบีอิสาพระเยซูเอ๊ะช่างสงสัยอะไรกันแน่เนี่ยอลัลลอ์มีลูกหรือไม่มีลูกอ่านไปอ่านไปเจอเรื่อยๆ เ, เลยเตือนนาะคนที่กล่าวว่าอาลัลลอ์มีลูกระวังอัลล์จะลงโทษพุ่นเลิกรับอิสลามพีละคนสองคนสามคนสี่คนเหตุจากะตะกวนเถกระเบิดนะอ้าวต่อมาอายาที่ห้า ม่ละหุมบิหีมินอิลมีวลาลอาบัอิหมกะบรัจสกลิมัตันทัครูจมินอฟวหีหัมอียกูลูนอิลัค้้้้้้้ิ้้มิิ้ิ้้ิ้้้้้้้้้้ม้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ อัลลอฮ์เล่าเลยคนที่พูดว่าอัลลอฮ์มีลูกชื่อไอซาหรือมีลูกชายชื่ออูเซสหรือมีมัมาลาอิกาเป็นลูกสาวคุณพวกเขาไม่มีความรู้ในเรื่องนี้พูดได้ยังไงเราเนี่ถูกห้ามนะถ้าไม่มีความรู้นะห้ามพูดใช่หรือไม่ใช่ไม่มีความรู้เนี่ห้ามพูดแล้วพวกนี้พูดว่าอัลลอฮ์มีลูกนะเอาความรู้นี่มาจากไหน พอถามนอย่างนี้มันก็เจงตอบไม่ได้อยู่แล้วอ้าวต่อมานะวาเลียบะอีิมอาบะนี่แปลว่าอะไรนะบันพบุรุษแปลว่าพ่อพ่อพ่อของพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่มีความรู้นี่ไงพวกเรานี่นะมุสลิมเราจำนวนมากนะนะที่ปฏิบัติศาสนาจำมาจากพ่อจำมาจากปู่ย่าตายายจำมาจากบันพบุรุษ ที่คุณอานพูดชัดพันพระบุรุษเนี่ยตามทั้งหมดทุกอย่างไม่ได้ตามเป็นบางเรื่องได้เพราะฉะนั้นอย่าอ้างบรนพรบุรุษอย่าอ้างโตย้ย่ออ้างประเภทนี้ปฏิบัติของชาวบ้านอ้างไม่ได้ถ้าจะอ้างต้องอ้างว่าอัลลอฮ์พูดว่ายังไงสุนนะอบับดสอนว่ายังไงต้องอธิบายต้องพูดอย่างนี้ เพราะฉะนั้นพวกเขาไม่มีความรู้ในเรื่องนี้และใครอีกว่า ล, ลีอาบีอิมอาบะแปลว่าบรรพบุรุษสังเกตนะในภาษาอูดูผมนั่งอ่านเมื่อคืนเนี่ยอาบะเนี่ยเขาเรียกว่าฟาเซอร์แปลว่าพอ่อแล้วก็ใครเรียกหัวหน้าว่าฟาเซอร์นะที่กวานหลวงบนหลวงนะใครเรียกพี่น้องชาวนอสอระ ฉะนั้นวะลาอีอาบะอีหิมรวมไปถึงบาดหลวงของท่านด้วยกว่าไม่มีความรู้เหมือนกันอ้อธิบาดีนะฟาเธอร์เป็นก็ได้แปลว่าพ่อไหมแปลว่าบาดหลวงนั่นแหละ ว, ว่าเพราะฉะนั้นคนทีม่มีความรู้ในเรื่องนี้พูดว่าอัลลอฮ์มีลูกบาปอย่างแรงเลยเอาต่อมากา บ, บูรดกาลิมาตันตาโรูจูมินอฟาฟุาฮิหิมกา บ, บูรดแปลว่าน้าเกลียดที่สุด เนี่ยพูดว่าอัลลอฮ์มีลูกเป็นคําพูดที่น่ากเกลียดอัลลอฮ์ตำหนิเลวมากๆเลยกาบูรอแปลว่าน่ากเกลียดที่สุดกาลิมะแปลว่าถ้อยคําเป็นถ้อยคําที่ตักรูยุที่ออกมาจากมินอฟัวฮิมจากปากของพวกเขาเห็นไหมอธิบายชัดเลยนะเป็นถ้อยคําที่เร็วที่สุด ที่ออกมาจากริมฝีปากของพวกเขาคนที่พูดว่าอัลลอฮ์มีลูกอัลลอฮ์มีเมียใช่ไหมอัลลอฮ์เหงาอัลลอฮ์วักวัตอัลลอฮ์มีองค์มนตรีอัลลอฮ์มีที่ปรึกษามีรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆแบบรัฐบาลมันไม่ใช่อัลลอฮ์องค์เดียวบริหารคนทั้งโลกหมดเลยนั่งยี้เป็นต้นนะคารเพระท่านใครที่พูดว่าอัลลอฮ์มีลูกอัลลอฮ์ มีนูนมีนีกาบูรสกาลิมาตันเป็นคำพูดที่น่าเกลียดที่สุดที่ออกมาจากริมฟีปากของพวกเขาเองนะอินอีอาคูลูนอิลลกาดิบาอีแปลว่าไมา่โดยที่ไม่มีความโดยที่พวกเขาไม่ได้พูดสิ่งใดอีแปลว่า พวกเขาไม่ได้พูดสิ่งใดอินลาการิบานอกจากความเท็จนอกจากเรื่องโกหกโอเดกูอ่านพูดยำไปยำ ม, มาหลายๆเที่ยวเพื่อให้รู้ว่าใครที่พูดว่าอัลลอฮ์มีลูกอัลลอฮ์มีภรรยาอัลลอฮ์มีนูน่นอัลลอฮ์มีนี่นั่นเป็นคําพูดที่เลวที่ออกมาจากริมฝีปากพวกเขาไม่ได้พูดเรื่องอะไรนอกเป็นเรื่องเท็จทั้งหมดเลยอัลลอฮฺอัลกุบะฮฺทำด้วยอินลาแสดงว่าเรื่องชิริกเนี่ยเรื่องใหญ่มากเลยนะ เรื่องชิริลกนี่เป็นบาปใหญ่แค่นั้นใครที่ทำชิริกต้องเตาบ้าตัวต่ออัลลอห์แล้วนะเอาอายาสุดท้ายนี่หมดเวลาหรือยังเนี่ยหมดยังเลือกยังอีกนิดหนึ่งฝลาละกับบ้ากุนัฟซักอัลลาอัลซาริฮิมอิลลัมยูมินูบิฮัลฮะดิซีอัสซาฟ ฟะลาลลันแลกแปลว่าบางทีบางครั้งมุฮัมมัดเองเนี่นะบีมุฮัมมัดเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่บาคขยะแปลว่าทาลายชีวิตของนบีมุฮัมมัดเองบางครั้งบางคราวนบีเป็นทุกข์สอนศาสนาไป ส, นไปสอนไปสอนไปไม่มีใครเชื่อเนี่ย อัลลอ์นบีมาสอนคนกี่จะพวกรู้ไหมหนึ่งอาบมุชริกินที่เชื่อว่าอัลลอ์มีแต่ยงยระคารพสิ่งอื่นคู่กับอัลลอ์อีกนั่นกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งพวกยะฮูดีอ่านะอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งพวกนาสรอที่เชื่อว่าอัลลอ์มีลูกสามกลุ่มแล้วนะแล้วก็กลุ่ม อย่างนอนอสีห้ากลุ่มเนี่ยทางว่นนานบีมาสอนศาสนาคนกี่กลุ่มที่แอ ah นตะี้อิสลามแอนตี้อัลลเน่ยเยอะไปหมดนบีค่อยๆสอนทีละกลุ่มละกลุ่มละกลุ่มละกลุ่มละกลุ่มละกลุ่มอัลลอฮฺอัลลอฮนบีเหนื่อยนะแต่นี่บางครัง้งบางคราวนาบีฟะลาอัลลอกับขีออนัฟสฺกาอัลอาซาริฮฺบางที นบีมหฮัมมัดอาจจะเป็นผู้ทำลายชีวิตของนบีเองด้วยความเสียใจอลาอาซาลิฮิมนะครับเนื่องจากอิลลัมยูมินูเนื่องจากการผินหลังหรือหันหลังของพวกเขาหากพวกเขาไม่ศรัทธาต่ออัลกุรอานเห็นไหม สอนกุรานแล้วคนไม่เอากุรานไปใช้นบีเสียใจไหมเสียใจอาญาานี้เป็นการปลอบใจนบีบ่ามุฮัมมัดเอ้ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปเสียใจหรอกเอา้าเล่าให้นบีฟังเอาประวัติของนบีหนะ่อยเอานาบีนัะเล่านาบีนัวนบีเรือต่อเรือคนที่ขึ้นเรือนบีนัวกี่คนแปดสิบคน นบีมาสอนนบีนัวสอนศาสนากี่ปีเก้าร้อยห้าสิบปีมีคนอีหมานแปดสิบคนนบีจะโอ้โหคนที่หนักกว่าเราก็มีนะ่ะนบีนัวอย่างนี้เป็นต้นนี่อลัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังนี่เมืันการปลอบใจนบีอย่างพวกเราก็เยอะแยะไปหมดเอาคนฝั่งกนู้นมาอยู่เป็นเป็นเป็นภรรยาพอมาม า, มาใหม่ใหม่มันก็ดีเพราะออยู่ๆไปมันเปลี่ยนาศาสนานี่ ก็ก็นั่งเครียดอยู่รักก็รักอะไรต่ อ, อไรมันไม่เอ า, าศาสนามีไหมมีครับ<ม>บางคีผู้หญิงมุสลิมานี่แหละไปเอาชายฝั่งนู้นมาใหม่ใมมันก็ดีมาสโรสูเราดีเพราะมันแก่หน่อยมไม่เอ า, าศาสนาเครียดไหมเครียดเพราะฉะนั้นงานนี่งานอัลลอลาทั้งหมดเลยถ้าอัลลอฮฺะจะให้คนทั้งโลกเนี่ย إ ي م านภายในห้านาทีทําได้ไหมได้ นบีเคยขอร้องว่ามยาอยัลลอ์ให้คนอีมานทั้งโลกแล้วก็อัลลอ์ถามว่าแล้วก็ท่านมาทำอะไรล่ะแล้วนบีมาทำอะไรในเมื่อคนดีหมดดีหมดดีหมดอนันนี้มีอิสลามมีอิสลามมีอิมานอิมัลนบีทำอะไรตกงานฉะนั้นคนไม่เอาศาสนาที่อยู่ต่อหน้าเรานี่ยดีไหมดีเราจะได้มีโอกาสได้ไร ได้บอกได้เตือนได้อธิบายเต็มตาราได้ได้นะได้ดว่ว่าศาสนาอัลลอฮ์ว่ า, าการงานที่ประเสริฐที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่ใชทํางานโรงงานยาสูบฉันแจ๋วไม่ใช่งานาศาสนาก็คืองานนี่แหละเชิญชวนคนให้รู้จักอัลลอฮ์เป็นงานที่ประเสริฐที่สุดทํางานยาสูบนั่นมันงานอนดีเร ข, ของเราเป็นรายได้ประจําวันอาชีพมีไปเถอะแต่อย่าลืมนะอาชีพหลักงานหลักก็คือ เชิญชวนผู้คนให้รู้จักอัลลอฮ์เชิญชนตัวเองก่อนแล้วชวนชวนพ่อเอกภรรยาลูกๆแ ล, ละหลานญาติพี่น้องเราให้รักอัลลอฮ์ยิ่งเดืดอนอัมรัดมาอย่างนี้ถ้าพ่อไม่บวชสักคนหนึ่งลูกจะบวชไหมนะ่ะพ่อยังไม่บวชเลยนะ่ะเจ็ดโมงสูบุรีพ่ออยู่หน้าบ้านลูกบวชเนะี่ไม่บวชจะยออจะตีก็พ่อนั่งสูบุรีอยู่หน้าบ้านลูกจะบวชได้ยังไง แค่นั้นพ่อตกนําลูกมาเนี่ยท่านดีมากอาลูกชายมานมาสสุโที่มัสยิดฮาลัลิลละใช่ไหมชันพาลูกมานมัที่มัสยิดคิกดก็เกิดพ่อตายไปลูกมันนึกโอ้สมัยพ่ออยู่นี่พ่อนํำมานมาัสติมัสยิดเป็นประจําได้อัคลากที่ดีของพ่อไปอย่างดี่ยวแค่นั้นการทําความดีทุกชนิดเหนื่อยไหมเหนื่อย แต่มีรางวัลไหมโอัลลอฮ์รางวัลมหาศาลเลยจะขอให้ทําเพื่ออะไรนะเพื่ออัลลอฮ์สุภานหั ว, วตะอะไรเรากำลังวันนี้เรียนกี่อาทิตย์นะห้าอายะนะเนี่ยน บ, บีเกือบเกือบจะอะไรนะเกือบจะทําลายชีวิตของท่านน บ, บีเองด้วยความเสียใจอาสซาฟาบปกว่าเสียใจเนื่องจากการผิดหลังของพวกเขานะครับหากพวกเขาให้ไม่ศรัทธาต่ออัลกุราอานอัลลอฮ์อัลลอฮมีสํานวนอื่นๆอื่นเยอะนะ สรุปก็คือว่าโลกดุนยาใบนี้เป็นโลกชั่วคราวอยู่กับเราไม่นานใครที่มีเงินมาช้าเงินหมดคนที่มีบ้านรอบ้านพังคนมีรถรอรถพังไม่มีอะไรถาวรวันนี้มีความสุขผูกนี้นึกมีความทุกข์อาจจะตามมาวันนี้ใครที่มีความทุกข์อย่าลืมผูกนี้อาจจะมีความสุขตามมาก็ได้ฉะนั้นมอบชีวิตของเราไว้กับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى سبحانك الله ุ م ما و َ ب ِ ح َ م ْ د ك و َ ل َ ى إ إ أ ن أ س ت َ غ ْ ف ِ ر ب ُ ل َ و س ل ا م ع ل ي ك م و ر ح م ة ا ل ل ه و ب ر ك ت